โอเคพร้อมนะครับอาจารย์ท่านเข้ามาในไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่ากลับนัสการนะครับบอกรูปอาจารย์ขึ้นนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ที่เสียงครับอาจารย์ครับนักสการนะครับได้ยินเสียงไหมได้ยินชัดเลยครับผมได้ยินชัดเลยครับครับผมก่อนอื่นก่อบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่เมตตามาในรายการมาช่วยตอบคําถามธรรมะนะครับ ให้กับประชาชนในลที่ฟังในรายการนี้นะครับยินดีเสมอครับผมการใธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงครับผมเพราะรแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงครับอาจารย์ครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นคนอ่านคําถามนะครับเพื่ออาจารย์จะได้ตอบอย่างครับผมจะได้มีโอกาสพักบ้างครับผมอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอถามปัญหาที่ผมเอ่อ รู้สึกเองก่อนนะครับคือโดยส่วนตัวผมนะครับอาจารย์ครับเวลาก่อนนอนทุกวันเลยผมจะนอนฟังธรรมะแล้วจนจนหลับไปอ่ะครับก็ส่วนหนึ่งก็ดีได้คิดด้วยแล้วก็ทําให้ใจอสงบขึ้นผมจะถามเรียนถามพระอาจารย์ว่าการนอนฟังธรรมะจนหลับนี่งได้ประโยชน์บ้างไหมครับอาจารย์ครับก็ได้ขณะตอน ท, ที่ยังไม่หลับฟังแล้วก็จะเข้าใจครับแต่พอหลับแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์ ถ้าอยากจะฟังแบบตลอดไม่หลับก็ต้องนั่งฟังแต่ถ้าเราฟังเพื่อเป็นญานอนหลับก็เป็นประโยชน์แบบนั้นทำให้กล่องใจให้สงบนางทีเครียดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอฟังธรรมใจก็เลยหายเครียดมันไป็หยุดคิดถึงเรื่องต่างๆใจก็สงบแล้วก็หลับไปบก็อยู่ที่ว่าเราต้องการฟังเพื่ออะไรถ้าฟังเพื่อ อ, อนิสงของการฟังธรรม ที่มีอยู่5้าประการด้วยกันนี้ก็ต้องฟังในท่านั่งจะดีกว่าจะได้ไม่หลัคืออันห้าอั น, นิสงห้าประการคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ 3. จะกําจัดความตังในสงสัยต่างๆได้4 จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาสมา ท, ทิและฮาจะทำให้จิตสงบผ่องใสอา น, นิสงส์ทั้งหน้าประการนี้จะได้อาจจะไม่ได้ครบทุกประการแล้วแต่แต่ถ้านั่งอยู่ในท่านั่งมอนก็จะไม่หลับแต่ก็ต้องมีสติคอยฟังอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดหรือไปทาอะไรอย่างอื่นเจะได้ไประโยชน์จากการฟังธรรมครับ อาจารย์ครับแล้วท่านเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆผมก็นั่งทั้งพุดโธพุดโธไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับหรือบางครั้งเนี่ยผมก็นั่งแล้วฟังธรรมไปด้วยอ่าพระอาจารย์มีควอมเห็นยังไงครับคือนั่งยังไงจะได้ประโยชน์มากกว่ากันครับผมอ๋อถ้าเวลานั่งฟังธรรมควรจะฟังธรรมดีกว่าอย่าไปพูดโธเพราะมันจะชนกันนอกจากว่าถ้าเรายัางเราอยากจะนั่งสมาธิแล้ว สติเรายัางมีไม่กําลังไม่พอควบคุมความคิดไม่ได้ก็อาจจะอาศัยการฟังธรรมเพื่อหยุดความคิดต่างๆไว้ก่อนพอฟังไปแล้วรู้สึกว่าจิตสงบก็อาจจะหยุดฟังปิดเสียงธรรมแล้วก็พุโทโธต่อไปเพืจะได้สงบมากยิ่งกว่าการฟังธรรมการฟังธรรมนี้ช่วยให้จิตระ ง, งับความคิดปรุงแต่งได้แต่จะให้จิตรวมเป็นสมาธิอะไรนี้ต้องอาศัยการ บริกรรมพุโทโธหรืรอการดูลมหายใจเข้าออกแต่ท่านในเบื้องต้นเรายังไม่สามารถดูลมได้หรือพุโทโธได้เพราะใจเรายังไปคิดเรื่องถึงเรื่องราวต่างๆเราก็ฟังธรรมไปเป็นการดึงความสนใจให้ออกจากเรื่องราวต่างๆมาที่การฟังธรรมแล้วพอฟังไปสักระยะหนึ่งใจก็จะมีความสงบลงความคิดผูกตังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็หยุดไป เ้าพร้อมที่จะดูลมต่อไปไม่ว่าบริกรรมพุโทโธต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบมากยิ่งขึ้นครับผมเริ่มคําถามจากท่านผู้ชมแล้วนะครับคุณโนตอุทนาพิบูลนะครับถามว่าเวลานั่งสวดมนต์แล้วชอบง่วงทํายังไงถึงจะมีสมาธิในการสวดมนต์ครับคือความง่วงนี้มันกจะเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆถ้าเรา รับประทานอาหารเสร็จแล้วเราไปสวดมนต์แล้วไปนั่งสมาธินี่มันจะหลับเพราะว่าหนังหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะอาจารย์นะเพราะงั้นถ้าทางที่ดีควรจะนั่งก่อนรับประทานควรจะสวดมนต์ก่อนรับประทานอาหารหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องทิ้งระยะเวลาห่างจากการรับประทานอาหารไปก่อนแล้วค่อยมาสวดมนต์ อันนี้เป็นแบบทั่วไปแต่สำหรับผู้ที่นั่งสมาธิแล้วก็ง่วงถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารอันนี้ก็ต้องมีมาตรการอย่างอื่นมาเสริมเช่นท่าเป็นพระเ น, นี่ยท่านมักจะชอบไปนั่งสมาธิในป่าชา้าหรือในป่าเปลี่ยวที่มีภายแวดล้อมมันจะทําให้อจิตตื่นตัวมีความกลัว มันก็เลยทําให้ไม่ง่วงนี่สาเหตทําไมพระต้องไปทุดงไปอยู่ในป่าก็เพื่อที่จะได้อาศัยสถานที่ที่น่ากลัวเหล่านี้มาปลุกสติไม่ให้ง่วงไม่แห้ใเวลานั่งสมาธิจะได้ผลจะได้ไม่หลับอย่ะะนั้นก็นี่ก็คือมาตรการต่างๆที่เราใช้ในการแก้ความง่วงก็ใช้สถานที่น่ากลัวนแ ล, ล้ว ลดการรับประทานอาหารลงให้น้อยลงผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่จะนิยมรับประทานไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปนแล้วงั้นพอตอนเย็นเนี่ยมันจะไม่ง่วงเมื่อตอนค่าเวลาจะสวดมวนต์ก่อนนอนนี่มันจะไม่ง่วงแต่ถ้ามารับประทานอาหารเย็นแล้วเสร็จแล้วมาสวดมวนต์ก่อนเข้านอนนี่มันก็จะง่วงมืนจะนล้วครับผม มีคำถามจากคุณประพันธ์จันทนธาสารครับอาจารย์ครับกลาวน้วยพสการพระอาจารย์ถ้าเราต้องอยู่ห้ามกลางผู้คนที่ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเราจะอธิบายอย่างไรกับคนเหล่านั้นครับผมเวลาเราอยู่กับสุนัขซุม้มอยู่กับแมแวเราทำอย่างไรสุนัข ก, กับแมวเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่กับคนหูหนวกตาบอดเราจะอยู่อย่างไรก็ทําอย่างนั้นแหละคนที่ไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนคนหูหนวกตาบอด เรือขอไผ่ไม่ได้ว่าเขาเป็นเดรัจฉานแต่เขาก็เป็นเหมือนสุนัขแมาเราจะไปอธิบายให้เขาฟังได้ยังไงนอกจากเขาสนใจเขาถามเขาอยากจะรู้อันนี้เราก็พูดได้แต่ถ้าอยู่ดีๆเราจะไปะยัดเยียดให้เขานี่เป็นเป็นไปนไม่ได้ไม่ควรสด้นซ้าไปเพราะเขาอาจจะต่อต้านก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวลาพระจะแสดงธรรมใ น, น ต้องให้เขาขออาลาธนาก่อนให้เขาเชิญมาพูดก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็แวะเข้ามาอย่างวันนี้ถ้าเราอยู่ดีๆขอแวะเขามาคุยธรรมะโดยที่คุณหมอไม่ได้เชิญนี่คุณหมอจะบอกว่าอาจจะไม่เหมาะสมนะเพราะเขาไม่พร้อมที่จะฟังกันครับผมระอาจารย์ครับมีคำถามที่คนฝากถามครับคืออย่างนีเราไปวัด นะฮะไปทําบุญทาทานปกติเงี้ยครับอาจารย์เราก็จะเห็นแม่ค้าที่เขาให้ปล่อยนกปล่อยปลาครับทีนี้เนี่ยอเราเราไปปล่อยเนี่ยตัวเราเองก็รู้สึกว่ามีความสุขดีนะครับแต่ทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์เหมือนกันว่าโอ้ไปเป็นการไปสนับสนุนให้พวกค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไปจับนกจับปลามาเพื่อให้เราปล่อยอย่างนี้คาถามคือว่าอ่าเราได้บุญไหมครับในการที่จะไปปล่อยนกปล่อยปลาเหล่านั้นนะครับเราไปปล่อยเราได้บุญคนไปจับมันได้บาปใช่ ในเบี่ดเบียนผู้แคนปล่อยนี่เป็นการช่วยเหลือก็เหมือนตำรวจจับผู้ร้ายเข้ามาแล้วในเรื่พระราชทานอภัยโทษเนี้การละการพระาาพราชทานอภัยโทษนี่เป็นเหมือนการสนับสนุนให้คนทำผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเป็นคนละเรื่องกันไม่ควรทีจ่จะมาชนกันครับผมก็แสดงว่าเรายัางได้บุญอยู่ทำได้คนทำได้อยู่ อาจจะสนับสนุนใหน้เขามีอาชีพก็ได้แทนที่เขาจะไปขโมยข้าวของเงินทองจากคนอื่นเขาก็ไปจับนกจับปลาม า, มาขายเพื่อให้เราซื้อเพื่อมาปล่อยครับผมร้านชันครับมีคำถามจากคุณวิไลลักษณ์นะครับถามว่าขออนญาตค่ะการกำหนดสมาธิใช้การดูและดูและท้องยุบพองได้หรือไม่คะการกำหนาสมาธิก็มีหลายวิธี วิธีนี้วิธีหนึ่งก็คือดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมกูกลมเข้าก็รู้ให้รู้อยู่ตรงจุดที่ปลายจมกูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกอีกวิธีหนึ่งก็ให้ดูที่หน้าท้องก็ได้เวลาหายใจเข้าท้องก็จะพองกันมาเวลาหายใจออกลมออกมาท้องก็ยุบเข้าไปก็เหมือนกันดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่หน้าท้องก็ได้เป้าหมายก็คือเพื่อให้มีรายยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป้าหมายนะของการนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดถ้าเรานั่งดูลมแล้วนั่งดูท้องแล้วเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ก็เสียเวลาเปล่าเราต้องไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้สิ้นนอกจากเรื่องของลมที่เรากําลังเข้าดูเพียง อ, อย่างเดียวหรือว่าลมกําลังเข้าหรือกําลังออกครับผมคุณไอรีนคิมนะครับถามว่าเมื่อเคยพบความสงบแล้วเกิดอยากสงบ ชอบคาดการล่วงหน้าติดตรงนี้ตลอดจัดละภาวะอันหาและหยุดคิดไปก่อนได้ยังไงคะก็ต้องพยายามควบคุมจิตให้อยู่กับงานที่เราให้จิตทำในตอนนั้นเช่นให้ดูลงก็ต้องดูลงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงอดีตก็คือผลที่เราเคยได้รับอนาคตก็คืออยากจะให้มันเป็นเหมือนอดีตที่เราเคยได้รับ ต้องอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตบางครั้งไม่อยู่ในปัจจุบันให้ได้โดยการดูลงือวรรกรรมพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวจิตจึงจะเข้าสู่ความสงบได้อาจารย์ครับคุณนุชจรักษนะครับสวัสดีค่ะกาบเรียนพระอาจารย์บางครั้งจิตไม่สงบเราควรฟังธรรมตอนไหนจิตจะได้ไม่ฟุ้งซ่านครับ ถ้าเวลาเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็สั่งทำได้ว่าการสั่งทำนี้ก็เป็นการเจริญสติไปในตัวจิตเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราฟุ้งซ่านได้อย่างถ้าเรามีเวลาว่างตอนไหนแทนที่จะดูข่าวดูเรื่องราวต่างๆที่สร้างอาการฟุ้งซ่านต่างๆเราไปสั่งทำดีกว่าสั่งทำแล้วทําจะกล่อมให้จิตใจเย็นกล่อมให้จิตใจสงบ แรงกระพริบที่จะทำให้นอนนั่งสมาธิต่อได้ด้วยมีคำถามจากคุณไอรินคิมนะครับปัจจุบันกาหนดคำบริกรรมชัดแต่สติไม่ทราบว่าขาดตอนไปช่วงไหนทำให้ความคิดแวบเข้ามาได้ทำอย่างไรจะทำให้สติต่อเนื่องและรู้ตัวชัดเจนว่าตอนนี้สติได้มีกําลังน้อยลงต้องเพิ่มสติขึ้นจนสามารถควบคุมไม่ให้คิดได้ครับก็ต้องมาเจริญสติท้งวัน ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่เรานอนแต่ในชีวิตของคาราวานนี่อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆ ต, ต้องพบปะ ก, กับคนจะคอยพูดอะไราการพูดโธยเพียงอย่างเดียวก็คงจะยากแต่สําหรับพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมนี้เขาไม่ต้องทํางานเขาจะไปปิปดที่เวทอยู่คนเดียว เราก็สามารถที่จะควบคุมสติได้ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะทําให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะมีสติอย่างต่อเ น, นื่องเราก็ต้องหาวันหยุดวันที่เราไม่ทํางานวันที่เราว่างจากภารกิจต่างๆแล้วก็ลองไปปลีกวิเวกหาที่สงบที่เราอยู่คนเดียวได้แล้วตอนนั้นเราก็คอยบังคับให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปตลอดเวลาถ้าเสือบ้างก็ไม่เป็นไร ใหม่ๆก็ต้องร่มรล้คูกคันพอเผอพอพอได้สติก็นึ่งกลับมาพุดโธพุดโธเรื่องต้นนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างการตั้งสติกับการเผลอสติอาจจะตั้งสติได้แค่5วินาที10วินาทีเอาไปแลนะพอได้สติพอรู้สึกตัวว่ากําลังไม่ได้กําลังชิดเรื่องนู้รงนี้ก็หยุดแล้วก็กลับมาพุดโธพุดโทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะมีสติที่ต่อเนื่อง ขอให้เราเพียรพยายามอย่าท้อแท้ทั้นั้นเองอย่าวังผลแบบรวดเร็วเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกวันนี้ปั๊บแล้วมันจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่หออกดอกออกผลให้ทัีมันต้องเป็นเรื่องของการหัดสึกหัดทำอยู่เป็นประจําให้มันเป็นได้สใสขึ้นมาครับผมพระอาจารย์ครับคุณคณิษฐาใหญ่สูงเนินครับถามว่าพระอาจารย์ครไม่สะดวกนั่งฟังคะ่ะนอนฟังธรรมะจะบาปไหมคะ ไม่บาปเราถ้าเราอยู่คนเดียวถ้าเรานอนคนอยู่บ้านคนเดียวในห้องแต่ถ้าเราอยู่กับคนเห น, นือนี้โดยธรรมเนียมโดยโดยบา ร, รยาาเขาจะให้ความเคารพการฟังธรรมด้วยการนั่งฟังด้วยความตั้งใจงถ้าเรานอนฟังนี้ต้องมีเหตุผลเช่นเราไม่สบายนอนบนเตียงแล้วผ้ามาเทศให้ฟังอย่างนี้ก็ท่านก็อนุโลมได้แต่ถ้าเราเป็นปกตินี้ถ้าเราจะไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดหรือที่ไหน เราก็ควรที่จะนั่งฟังตามตามธรรมเนียมแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะนอนฟังนั่งยืนฟังเดินฟังได้ทั้งนั้นแต่ประโยชน์ที่จะได้รับนี้จะไม่เท่ากันประโยชน์ที่จะได้รับเต็มที่ก็อยู่ในท่านั่งเพราะถ้าเรานอนเราก็จะหลับอาจจะฟังได้น้ำหนึ่งน้เดี๋ยวก็เผลอหลับไปถ้าเราเดินเราก็อาจจ ะ, ะฟังแบบไม่ไม่เต็มที่เพราะเราอยากต้องมีสติอยู่กับการเดินด้วย ยั่ดอยากฟังให้ได้รับอั น, นีิสงอย่่งเต็มร้อยก็ต้องนั่งรับคือกายวาจาใจต้องสงบในการฟังธรรมกายก็นั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่พูดคุยกับใครใจ ก, ก็ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าฟังแบบนี้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ปัญญาครับผม คุณลินวิสิตฟวรนับนะครับถามว่าขออนุญาตสอบถามค่ะหากในห้องมียุงมากพยายามไม่ฆ่ายุงแต่ผ่านไปสองสามวันยุงกัดเต็มตัวเลยทนไม่ไหวต้องฆ่ า, า, ายุงจะบาปมากไหมคะเพราะพยายามถือศีลห้าแต่ผิดข้อหนึ่งไปแล้วค่ะก็เราไม่มีมุ้งหรือไม่มีมุออ้งวดไม่ไงหรือ ว, ว่าทาทายากันยุงได้พยายามหลเรี่ยงอย่าไปฆ่าเขา คิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราก็ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราเขาก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยุงเขาก็มีจิตใจเหมือนเราพแต่ว่าตอนที้เขาต้องไปใช้กรรมของบาปกรรมที่เขาทาตอนที่เขาเป็นมนุษย์อันนี้เป็นมนุษย์เข า, า จ, จะฆ่ายุงมามากก็เลยต้องกลับไปเกิดเป็นยุงให้คนอื่นฆ่าแทนว่าแต่เราผู้มีศีลธรรมมีปัญญาเราก็ต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง เราก็ต้องพยายามเดเลี่ยงในการค่าสัตว์ทุกชนิดเช่นยุงถ้ามีเราก็ลองไล่มันไปจุดยาระกันยุง ก, ก, ก็ได้ยากระยุงก็ไล่ยุงได้หรือทายากัญยุง ท, ที่ที่ตามร่างกายเราพอเขาได้กินยากันยุงเขาก็จะไม่มากัดได้ก็มีวิธีที่ป้องกันได้ขอให้เราต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นๆอย่าเอาแต่ความมงา่ายความสะดวก แต่ผลมันจะร้ายแรงกว่าถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วโดยกดแห่งกรรมเราจะต้องความาเกิดให้คนอื่นเข้าฆ่าเราต่อไปคุณโยโยโ อ, โอครับถามว่าความรู้สึกเหมือนหล่นวูบจากที่สูงไม่สิ้นสุดในขณะนั่งสมาธิคืออะไรครับผมประหลาดใจเลยกนะก็จิตเข้าสู่ความสงบมันนักงขึ้นมีความรู้สึกวูบลงมาจากที่สูงแต่มันต้องมี มันแค่วูบเดียวเดียวแล้วก็นิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้แต่ถ้าวูบลงมาเรื่อยๆนี้อันนี้ไม่ทราบเขาว่าวูบแบบไม่สิ้นสุดนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรส่วนใญ่เวลาจิตสงบจิตจะสงบมันจะวูบเหมือนตกลงมาจากที่สูงแต่มันก็เดียวเดียวแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็เรีย็นก็สบายเนือแต่วูบรู้อยู่ตามลาพังครับ คุณฟาสายนะครับ <Yemen> ถามว่าการเทรดหุ้นเป็นการลงทุนหรือการพนันคะแบ่งแยกอย่างไรดีคะก็อยู่ที่เราความคิดของเราเนี่ยว่าเราเราลงทุนต้องเล่นการพนันเราย่อมรู้อยู่แก่ใจเราถ้าเราเก่งกําไรนี้มากจะถือว่าเป็นการเล่นการพนันแต่ถ้าเราซื้อแล้วก็ปล่อยไว้เป็นระยะยาวเป็นเหมือนกับการร่วมหุ Madame, ้นกับบริษัทเนี่ย แล้วก็ปล่อยให้เข้าบริหารกิจการเรารับเงินปันผลส่วนราคาหุ้นจะขึ้นจะลงก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็เป็นการลงทุนแต่ถ้าคอยมานั่งเข้าดูว่าพรุ่งนี้ราคาหุ้นจะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่อันนี้มันในลักษณะแบบแบบเล่นการพ น, นรรันครับผมอาจารย์ครับคุณไอรีนบอกว่าอยู่ป่าแต่ไม่มีความรู้สึกกลัว เป็นเขตสง์เวลาเดินถนนคนเดียวตอนกลางคืนความกลัวมีอยู่แค่สิบถึงสาสิบเปอร์เซ็นไม่เกินนี้ไม่กลัวหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยมีความระวังมากขึ้นควรหาที่น่ากลัวกว่านี้เพื่อฝึกสติไหมคะถ้าเราคิดว่าเรายัางต้องการที่จะฝึกสติหรือฝึกปัญญาเช่นความกลัวตายเนี่ยเราก็า จ, จะต้องเพิ่มเช่นเดินแบบไม่ใช้ไฟเอดตอนคืน แล้วจะไปเหยียบงูเหยียบอะไรขึ้นมาก็าปลงนะคระบถ้ามัจะตายก็ให้มันตายไปอันนี้ก็จะได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาได้การปล่อยวางร่างกายเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายของเราทุกคนไม่ยช้ากันเลยก็ต้องถึงความตายด้วยกันถึงแก่ความตายด้วยกันแต่เราต้องการตายแบบไม่กลัวเราต้องการตายแบบปล่อยวางเพราะว่าร่างกายโดยหลักธรรมแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเราอยู่แล้ว มันตายแต่เราไม่ได้ตายแต่กับมันเราที่แท้จริงก็คือจิตใจเนี่แหละผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายแต่ต้องมาทุกกับความตายของร่างกายเพราะความหลงนี่เรารู้ด้วยปัญญาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราจะไปสูจนว่าเรารจริงหรือไม่เราก็ต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้คือเมื่อมันไม่ใช่เป็นตัวเรามันจะตายก็ให้มันตายไปสิเราจะไปเดือดร้อนทําม อันนี้เราก็อาจจะต้องอาศัยไปหนที่ที่มันน่ากลัวเราก็อาจจะต้องไปเจอกับภัยอันตรายที่ทําให้เกิดความตายขึ้นมาได้ตอนนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าถ้าเรายังกลัวยังตื่นเต้นตกใจอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปล่อยแต่ถ้าเราเฉยไม่รู้สึกเดือดร้อนเหมือนกับเห็นคนอื่นตายเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยรทันงทร่างกายของเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่น เราก็ไม่ควรเดือดร้อนกับความตายของร่างกายของเร า, า, อ, เราอาจารย์ครับกราบเรียนถามเพิ่มเติมในส่วนตัวเองเลยครับคือจากคาถาม น, นี้คือโดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมในขณะนี้รู้สึกว่าโดยก่อนรู้สึกว่าไม่ได้กลัวตายโดยตัวตัวนะครับอาจารย์แล้วก็ไม่ค่อยได้กลัวป่วยด้วยแต่ทีนี้ความรู้สึกที่กลัวเนี่ยไปกลัวว่าคนที่เรารักจะป่วยจะตายครับเช่นพ่อแม่ภรรยาลูกนี้ยครับอาจารย์ครับ อ่าอย่างนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรครับผมเพราะว่าเราไปให้เป็นรับคนอื่นมากกว่ารับตัวเราเราก็เลยไม่กลัวเรื่องความเป็นความตายของเราแต่เราไปกลัวความเป็นความตายของคนอื่นซึ่งตามหลักธรรมแล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกเท่าเทียมกันเหมือนกันถ้าเราไม่กลัวเรื่องความเป็นความตายของเราเราก็ไม่ควรไปกลัวความเป็นความตายของคนอื่น เพราะร่างกายของคนอื่นกับร่างกายของเราก็เหมือนกันเหมือน a เท่ากับบีเท่ากับ c เหมือนเอ<ๆ>ก็ต้องเทา a, a ่ากับ a อเอต้องเท่ากับซีก็ต้องเท่ากับซีแต่เรายังไปเลือกที่รักมั่ที่แข็งอยู่เราเลือกว่าเราไม่รักร่างกายเราเราไปรักร่างกายของคนอื่นแต่อันนี้ก็เป็นเพียงความคิดนะล่าบอกว่าเราอาจจะไม่กลัวตายก็จริงอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้ไปเจอเหตุการณ์จริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่า จะจริงหรือไม่ต้องไมพ่พิสูจน์ดูเราไปอยู่ที่มันนา่ากลัวดูแล้วดูน่าจิตใจเรารู้สึกอย่างไ ร, รเป็นปกติเหมือนตอนที่เราอยู่ที่บ้านหรือไม่มีคําถามบอกเศรษฐกิจแบบนี้ขอความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเงินค่ะพระเจ้าสอนให้คนเรานั่งน้อยสันเดนินใช้น้อยๆใช้เท่าที่จําเป็นใช้กับสิ่งที่ จำเป็นต่อการครองชีพตามหลักที่ในหลวงราชการที่เก้าเคยตัดสอนอยู่เรื่อยๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเราใช้เท่าที่จําเป็นนี้เราจะไม่ต้องดีไม่ต้องไม่ต้องมีกันมากเราสามารถที่จะยินดีตามมีตามเกิดได้ได้มากไดน้อยถ้าเราใช้น้อยๆมันส่วนใหญ่มันก็มักจะพอกับความจําเป็นของเราเพราะ ความจำเป็นของปัจจัยสี่จริงๆนี่มันก็ไม่ได้มากมายเลยที่อยู่อาศัยก็ที่ไหนก็ได้ที่หลบแดดหลบฝนได้เสื้ อ, อ, อกผ้ามีสักสองสามชุดก็อยู่ได้อาหารวันละมื้อก็อยู่ได้ดูพระทุ่งดงเป็นตัวอย่างภาพป่าเนี้ท่านก็อยู่แบบมากน้อยสัมผัสก็รับประทานอาหารวันละมือ้อบินนบัดตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็รับประทานไปส่วนที่เหนือก็ ยกใครก็อยู่นไปที่อยู่อาศัยท่านก็นหลังอยู่ที่ไหนก็ได้อา้โคนไม้ตามเงื่อมผาสามถ้ำตามเรือนร้างผ้า ท, ทาได้ก็มีอยู่หนึ่งชุดผ้าไต1หนึ่งชุดสามผืนแล้วก็ยารักษาโรคท่านก็สมัยโบราณท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูดคื อ, อยาดองด้วยน้ำปัสสาวะเอาผลไม้แล้วก็เอาฉี่นี่มาแช่ไว้ดองผลไม้ เากิดโรคภัยแค่เจ็บท่านก็ดื่มน้ำยืมยาดองเหลนั mm ้น hmm. ก็หายได้ครัง mm hmm. นั้นก็ขอให้ถือหลักมากน้อยสันโดษ mm hmm. มากน้อยคือใช้ให้น้อยที่สุดประหยัดที่สุดใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็สันโดษก็คือพยายามหาเท่าที่เราจะหาได้หาได้มากหาได้น้อยก็ต้องให้พอใจอย่าไปโลมมากกว่าความสามารถของเรา เป็นตอนนี้รายได้อาจจะลดน้อยลงเราก็ต้องสันโดษยินดีเคยได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ได้น้อยกว่านี้ก็ต้องยินดีถ้าถามีสันโดษก็จะยินดีไม่ว่าจะมากไม่จะน้อยก็ให้พอใจครับรายได้ที่เราได้มาแล้วก็พยายามใช้มันอยู่ในขอบเขตของรายได้อย่าให้มันมากกว่ารายรายได้มันก็จะอยู่ได้ คุณเอเคบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าจิตรวมหรือจิตตั้งมั่นแล้วคะและต้องทําอย่างไรให้จิตตั้งมั่นได้เจ้าคะอ๋อมันรู้มันเหมือนกินข้ามมีข้าวเวลาอีกไม่อิ่มมันรู้นะการนั่งสมาธิก็ทําให้ใจอิ่มเวลาใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งมันก็จะรู้ขึ้นมาเพราะมันเป็นเหมือนคนละโลกเวลาใจไม่สงบกับเวลาใจสงบนี้มันเหมือนคนละโลกเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เรา ไปดำน้ำเวลาที่เราอยู่บนผิวน้ำนีำน่เราจะได้ยินเสียงอะไรต่างๆแต่พอเราดำลงไปในน้ำนีำนำเสียง ต, ต่างๆมันหาย ไ, ไปมันจะมันจะเห็นชัดจเจนของความแตกต่างระหว่า ง, งจิตที่สงบกับจิตที่ไม่สงบครับผมคุณย ม, มาพรครับถามว่าฝึกมรณานุสติอย่างไรไม่ให้ใจเศร้าหมอง ค, คะ ถ้ายังเศร้าหมองอยู่ทุกครั้งที่เราคิดถึงความตายก็แสดงว่าจิตเรายังไม่พร้อมจิตเราขาดสมาธิไม่มีอุเบกขางั้นถ้าเราคิดแล้วใจเศร้าหมองก็อย่าเพิ่งไปคิดให้มาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้อุเบกขาขึ้นมาก่อนเพราะเวลาใจสงบมีอุเบกขาแล้วใจจะวางเฉยได้พอให้ไปคิดถึงเรื่องของความตายใจก็จะไม่รู้สึกเศร้า ในเบื้องต้นนี้ถ้ายังเศร้าหมองอยู่ก็อยา่าเพิ่งคิดอาจจะสวดมนต์ไป ส, นะสักพักก่อนก็ได้การสวดมนต์นี่ก็เป็นเหมกับการทําใจให้สงบให้เป็นอยเบิกขาได้ระดับเนี่ยแล้วค่อยมาสวดบทบา ร, รณานัสติต่อเช่นตามวัดต่างๆนี่ก็ใช้สวดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วค่อยให้มาสวดบทชะลาธรรมโภเพชะล า, านานติตโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปเพื่อ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราฝึกพิจารณาความตายความแก่ความเจ็บได้เพิ่งต้นก็สวดวนไปสักระยะหนึ่งก่อนให้ใจสงบให้ใจหายฟุ้งซ่านแล้วให้ใจมีอุเบกขาในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถสวดบนมรณานุสติต่อไปได้คุณตุกกี้ครับบอกว่ายาดโยมใส่เงินธนบัตรในบาทพระตอนเช้าได้ไหมคะคือตอนนี้ พรวนี้ท่านก็มีแบ่งเป็นสองสองสองสายกนแล้วกันสายหนึ่งท่านก็รับรับเงินรับทองได้อีกสายหนึ่งนี้ท่านรับเงินรับทองกับมือไม่ได้แต่ถ้าจะให้ก็ต้องฝากเอาให้ให้กับลูกศิษย์ที่เดินตามมาให้ลูกศิษย์ไปพูดถึงเงินทองให้ในข้อวินันยนี้ไม่ให้พระครอบครองเงินทองไม่ถือเงินทอง ให้ให้มีลูกศิษย์เป็นผู้คอยถือเงินทองให้ดูแลรักษาเงินทองให้เนี่ก็ต้องถามท่านก่อนว่าร่ำเงินได้ไหมคะถ้าท่านลอกร่ำได้ก็สายเข้าไปแต่ถ้าท่านลวกร่ำไม่ได้ให้ฝากควาลูกศิษย์ไว้เราก็ฝากของลูกศิษย์ไปครับผมคุณสุริพรครับถามว่ากราบนมัส ก, การค่ะลูกเคยปฏิบัติสมาธิในป่าชา้า แต่พอช่วงนี้มาฝึกกรรมฐานมราณะนุสติกรรมฐานแล้วได้ยินเสียงเดินนะครับมีจริงมีคําถามข้างล่างต่อมาบอกว่าก็เลยรู้สึกว่ากลัวตอนนี้ก็เลยไม่กล้าฝึกครับจะทํายังไงต่อไปดีคะเคยไปฝึกในป่าช้ามาครับแล้วช่วงนี้มาฝึกกรรมฐานนี่อยู่ที่ไหนอยู่ในป่าช้าหรือเปล่าหรืออยู่บ้านธรรมดาน่านจะอยู่ในป่าชา้า แล้วก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงคนเดินครับอาจารย์ครับหลังจากนั้นบอกว่ า, วากลัวเลยไม่กล้าฝึกต่อครับผมวเวลากลัวก็ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดบทอิทิปิโสไปอย่าไปให้ใจไปคิดถึงเสียงคนเดินเสียงเดินอย่าไปสนใจไปหาความสิ่งที่ทําให้เรากลัวให้กลับมาหาพุทานุสติธรรมานุสติสังขาร น, นุสติแล้วความกลัวก็จะหายไปถ้าเราสวดไปสัปดาห์ะหนึ่ง เราก็จะเหลือมเรื่องที่ทำให้เรากลัวได้อาจารย์ครับคุณลุชยาบุญญาธรรมนนนะครับถามว่าจิตสงบแล้วอยู่นิ่งเฉยเป็นอุเบกขาแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปคะมักจะนิ่งเฉยๆค่ะก็พยายามนิ่งให้นานๆยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะเป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ของมือถือเราเนี่ยถ้าเราสิบมือถือเรา ไปมันก็จะเริ่มเข้าไปในแบตเตอรี่ถ้าจิตสงบแล้วอุเบกขาก็จะเริ่มจเจริญขึ้นมาว่องงามขึ้นมาเรื่อยๆแังเราต้องการให้อุเบกขานี้มีมากๆอยู่ในใจเราเพื่อที่ใจเราจะได้หนักแน่นใจเราจะได้ไม่รู้ว่าเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเวลาสัมผัสรับดุ่กับเรื่องราวอะไรใจเราจะเฉยได้ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนนั้นพยายามฝึกนั่งให้นานๆยิ่งนานเท่าไรได้ยิ่งดีเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบกขา ที่จะตามออกมาที่จะอยู่กับจิตหลังจากที่เร า, เ อ, าออกจากสมาธิมาแล้วครับผมคุณวิไลลักษ์ครับถามว่ารบกวนขอสอบถามอีกคําถามค่ะทุกวันนี้เวลานอนชอบเปิดบทสวดมนต์ฟังจนหลับอันนี้เป็นบาปไหมคะไม่บาปก็เป็นก็เป็นการใช้บทสวดมนต์เป็นยานอนหลับไปเท่านั้นเองยานอนหลับความของการสวดมนต์ที่แท้จริงนี้ไม่ต้องการให้หลับต้องการให้หยุดคิดคุ้แต่งทุงซา เพื่อที่จะได้มานั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นอเุเบกขาขึ้นมาคุณคัญชนานะครับถามว่ากลับเรียนนวัตการพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์สอนบริกรรมพุทโธ ท, ที่ถูกต้องแบบละเอียดค่ะเพราะเคยเข้าใจผิดว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธซึ่งไม่ถูกต้องใช่หรือไม่คะคือการบริกรรมพุทโธเพื่อเจริญสติเนี่เราไม่ต้องใช้ลมหายใจกลับกับด้วย เราใช้พุโทโธเพียงอย่างเดียวเพื่อคอยควบคุมคอยหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับในระยบททั้งสี่เลยเราเพียงแต่บริการพุโทโธพุโทโธไปเพื่อให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันให้หยุดคิดปรุงแต่งไปอดีตแปลนาขึ้นไปถึงเรื่องราวต่างๆนี่คือการจเจริญสติด้วยพุโทโธส่วนเวลานัาน่งนี้เราจะ บริกรรมพุโทโธอย่างเดียวไปก็ได้เหมือนที่เราทําในอิรียาบถเ่ยแต่บางท่านนี้ท่านก็เอามาผูกไว้กับการดูลมหายใจเข้าออกเพื่อจะทําให้สติมั่นคงมากขึ้นก็ได้สําหรับบางท่านบริกรรพุโทโธแล้วบางทียังเผลอว่าไปที่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เลยให้มาดูลมอีกชั้นหนึ่งให้ดูลมเข้าออกที่ปลายจมูกแล้วก็ให้บริกรรมพุโทโธ เวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทเวลาหายใจออกก็ว่าโธอันนี้ก็เป็นวิธีนั่งสมาธิแต่ถ้าเราไม่ใช้ลมก็ได้เราก็พุทธโธพุโทโธไปเหมือนกับตอนที่เราทําอยู่ในเรียบทหนึ่งก็ได้หรือเราจะใช้ดูลมหายใจอย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้พุโทโธก็ได้เวลานั่งสมาธิเราสามารถเลือกได้สามวิธีพุโทโธอย่างเดียวดูลมหายใจอย่างเดียวหรือ ใช้พุทธถูกับลมหายใจควบคู่กันไปหายใจเข้าเพราะว่าพูดธหายใจออกเพราะว่าถูกก็ถ้าเราดูสามแบบนี้ดูว่าแบบไหนจะได้ผลดีกับแบบก็ได้ครับผมคุณกระมนทองตรีนะครับกราบน้ัพสการค่ะเราจะฝึกจิตยังไงให้เป็นคนใจกว้างไม่อคติกับคนที่เราไม่เห็นด้วยหรือเราคิดว่าเขาทําไม่ถูกไม่ควรครับอเราก็ต้องยอมรับว่า คนเหล่านี้เราอยู่ในโลกนี้มีเป็นนาณาจิตต์่างคนแต่ละคนนี้มีความรู้สึกนลกคิดไม่เหมือนกันแช้งเป็นเหมือนผลไม้ต <ened> ่างชนิดกันบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นสับปะรดเป็นมะพร้าวเราจะไปให้เขาเป็นเหมือนอย่างเรานี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมมติถ้าเราเป็นกล้วยแล้วเกาเป็นมะพร้าวเราอยากให้เขามาเป็นกล้วยเหมือนเรานี้มันก็ย่อมเป็นไป เนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าคนเรานี้มีนาฬาจิต่างมีความรู้สึกนิคิดที่ต่างกันถ้าเราต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาท่านก็แนะนำให้ใช้หลักประสานส่วนตา่างให้ประสานส่วนเหมือนแล้วก็สงวนส่วนตา่างสิ่งใดที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันเราก็อย่ า, ามาพูดมาคุยกันเอามาพูดแต่เรื่องที่เราเห็นค้องต้องการเข้าใจกันนนี้เราก็จะ เราก็จะอยู่ด้วยกันได้ไม่ควรไปไปไปว่าเขาผิดหรือถูกผิดถูกก็เรื่องของเขาชีวิตของเขาเพราะก็อาจจะได้ข้อมูลที่มามาจากแหล่งที่ไม่ถูกก็ได้เขาก็เลยมีความคิดที่ไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะพยายามอย่ายไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นหวังให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาจะดีกว่า นอกจากว่าถ้าเขาอยากจะมาขอคําปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาเขาไปได้ตามที่เรารู้ตามที่เราก็ใจแต่อยู่ดีๆเราจะไปอยากให้เขาเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดนี้ย่อมเป็นไปนไม่ได้ครับผมมีคุณตะมุตะมิสองพันเก้าถามว่าชอบคิดไม่ดีต้องแก้ยังไงคะ อ, อ๋อก็แก้ด้วยความคิดที่ดีคิดในทางตรงกันข้ามไป ทุกครั้งที่คิดไปดีก็ลองลองคิดดีถ้าเรามองคนไม่ดีเขาไม่ดีแล้วก็มองว่าเขานอกจากไม่ดีส่วนที่ดีเขาก็มีเราทุกคนไม่ใช่มีแต่ไม่ดีอย่างเดียวหรือมีดีอย่างเดียวคนเราก็มีทั้งดีและไม่ดีปนกันไปในทุกครั้งที่เราคิดถึงความไม่ดีของเขาก็เราก็ลองพยายามหาส่วนที่ดีของเขามาคิดบ้างก็ได้ ในทุกครั้งที่เราไปคิดว่าเขาไม่ดีแล้วเราก็ถามตัวเราเองว่ามึงล่ะเป็นยังไงแล้วตัวท่านเอเป็นยังไงบ้างย้อนกลับมาที่ตัวเราก็ได้แล้วมันก็อาจจะทำว่าเอ้เราก็ไม่สามาั่งจาเเขานะอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณเอกวัตรวงแดงครับบอกว่าตกปลาเพื่อนามาทำอาหารเลี้ยงครอบครัวบาปไหมครับบาปถ้าเป็นการฆ่านะถ้าตกแล้วเอาไปปล่อยก็ไม่บาป แต่ก็ไม่ควรเพราะมันก็ทําให้เขาทรมานไปเบียดเบียนเขาให้เรานึกถึงว่าเถ้าเราเป็นปลาบ้างแล้วเราจะคิดยังไงถ้าเขามาจับเราไปทําเป็นอาหารเราก็ไม่อยากให้เขาจับเราไปทําเป็นอาหารงั้นเราก็อย่าไปเอาเขามาทําเป็นอาหารเพราะมันเป็นกองกรรมกองเวร น, นะเราเอาเขามาเป็นอาหารชาติหน้าเราอาจจะไปเป็นปลาแล้วก็อาจจะถูกคนอื่นมนุษย์อาจจะเป็นเขาก็ได้กลับมา ตกปลาจับเราไปเป็นอาหารเพื่อเป็นการใช้คำเงินขนาดนั้นขอให้เชื่อเราขอให้เราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเถอะว่าเป็นเรื่องจริงพระวุทธเจ้านี้ไม่พูดปดวกฎแห่งกรรมนี้ทําดีได้ดีทำเชื่วได้ชืว่วทําอะไรก็จะได้แบบนันกลับมาหาเราครับผแต่ถ้าเราไปกินเฉยเฉยนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ถ้าเป็นของที่เขาทํำตายแล้วเช่นร้านอาหารเขาทาอาหาร เสร็รียบร้อยแล้วเราสั่งอาหารที่ก็ทํามาแล้วนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ยังไปสั่งอาหารที่เขายังไม่ได้เช่นก็มีปลาสดๆอยู่ในอ่าง น, น้ำนี้แล้วเราก็ไปชี้ว่าเอาตัวนี้มาทอดเทำอย่างนี้ก็บาปถึงแม้ไม่ได้ฆ่าเองก็เป็นการสั่งให้คนอื่นฆ่าแทนเราก็บาปเหมือนกันอย่ถ้าเป็นของที่ตายแล้วแล้วข้ามาทําเป็นอาหารนี้ไม่บาปบาปเกิดจากคนที่ไปไปฆ่ามาแล้ว ตอนเี่ม่กินที่ร้านนี้ไม่บ้าครับคุณถาปณนีอรุณทรัพย์คุณถามว่ากราบนพิธีการพระอาจารย์สวัสดีคุณหมอค่ะขอสอบถามค่ะเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิไม่จุดธูปได้ไหมคะได้ไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนไม่ต้องมีดอกไม้ธูกเทียนอะก็ได้ ific. อันนั้นเป็นอามิสบูชาส่วนการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งความสาคัญอยู่ที่ปฏิบัติบูชา พราะผลส่วนใหญ่จะเกิดที่การปฏิบัติบูบชาอารมิสบูชานี้เป็นเพีแสดงความเคารพท่านั่นเองต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าบอกวิธีที่จะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ดีที่สุดก็คือวิธีบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาหรือสวนต์ไมว้พระนั่งสมาธิรักษาศีลทรบุญทำทำานเป็นต้น คุณปลาส้มหยุดนะครับถามว่าขออนุญาตสอบถามค่ะเวลานั่งสมาธิจิตไม่เคยสงบเลยค่ะจะนานหรือไม่นานก็ไม่รู้สึกว่าจิตว่างแบบนี้จะได้บุญหรืออนิสงฆ์บ้างไหมคะก็ยังไม่ได้ผลมันก็ยังไม่ได้บุญนะคือบุญก็คือความสงบความสุขใจนี่ที่เกิดจากความสงบแต่ก็ได้ได้บุญที่เกิดจากการทําความเพียรความพยายามได้บุญส่วนนี้แต่ยังไม่ได้บุญที่เกิดจากความสงบของจิตใจ ที่ไม่สงบก็เพราะว่าสติไม่มีกําลังพอดังนั้นควรจะฝึกสติให้ให้มากก่อนที่จะมานั่งพยายามหัดฝึกนิสัยให้มีสติพยายามให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวทํางานอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่าทำสองอย่างพร้อมกันอย่าทางานไปแล้วก็คิดถึงงานอื่นเรื่องอื่นอย่างนี้ทําให้จิตไม่มีสติเพราะจิตไม่ได้อยู่กับงานที่กําลังทำอยู่ ให้อยู่กับงานอย่างเดียวทําอะไรให้ทําทีละอยา่างให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่แล้วเวลามานั่งสมาธิจะให้อยู่กับลมมันก็จะได้อยู่กับลมถ้าอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธได้เนี่ยมันก็สนุกมันก็จะมันก็จะว่างขึ้นมามีคําถามใกล้เคียงกันมาพอดีเลยครับคุณธนรัตไทศรีประเสริฐยิ่งถามว่าเราจะตัดนิวรณ์ได้อย่างไรคะคือนิวรณ์นี่มันมีต้องห้าตัวนะ อันนี้มันก็ไม่ได้พูดก็เลยขอโอกาสได้บอกให้เราให้ฟังว่านีวานมีอะไรบ้างนิวานนี่มีอยู่ห้ายีวาคือองอุปสรรคที่ขวางกั้นการทำจิตใจให้สงบข้อที่หนึ่งเรียกว่าวิจิกิจชาแปล ว, ว่าความลังเลยสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ว่ามีจริงไหมพรพธจ้าจะรู้จริงหรือเปล่าสอนเรื่องสมาธินั่งสมาธิแล้วจิตจะสงบได้จริงไหม ถ้าเรายังมีความสงสัยอยู่เราก็อาจจะไม่มั่นใจเราก็อาจจะนั่งแบบไม่เต็มที่ไม่ไม่ทุ่มเทเพราะยังไม่มั่นใจว่าถูกหลอกหรือเปล่าถูกหลอกให้นั่งหรือเปล่าบางคนคิดว่าเป็นนิทานนะพระพุทธพระธรรมประสงฆ์แต่งขึ้นมาก็หลอกให้เรามาทําความดีกันก็มีเฉะนั้นเราต้องศึกษาถ้าเรามีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ต้องศึกษาประวัติของท่านเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ไม่สงสัย ว่าท่านมีจริงและคําสารของท่านนี้มีประโยชน์จริงๆต่อจิตใจของเรา น, นี่ข้อที่หนึ่งนี่วอรเรื่องของความสงสัยข้อที่สองคือการมาฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑบางทีนั่งแล้วเดี๋ยวเปรี้ยวปากขึ้นมาอยากจะดื่มเบียซี่อยากจะดื่มกาแฟก็ทําให้ไม่มีสติอยู่กับการนั่งก็ เ, เริ่มดีกว่าเดี๋ยวไปดื่มกาแฟก่อนไปดื่มอะไรก่อนอย่างนี้นก็ต้องพยายามตัดเนี่ยอย่า พยายามหักข้ามจิตใจเวลาดื่มอะไรก็ให้มีไวลั่มเวลาอย่าดื่มตามความอยากอยากจะดื่มอยากจะรับประทา น, นอะไรเมื่อไหร่ก็ทําทันทีควรจะ ด, ดัดขัดนิสัยใหม่หรือให้ให้ให้ดื่มให้รับประทานตามเวลาเช่นรับประทานอาหารพอพอไม่ถึงเวลารับประทานอาหารก็อย่าไปรับประทานอะไรถ้าหิวน้ําก็ดื่มแต่น้ำเปล่าๆอย่าไปดื่มน้ําที่มีกลิ่นมีรส เพราะมันเป็นการมัชชนท์ทะอันนี้ก็เป็นเรื่องการสํารวมก็เรียกว่าสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสในเวลาที่ยังไม่นควรที่จะเสกอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการมัชชนท์ทะได้ก็ลดลดลดการดูการฟังอะไรต่างๆลงให้น้อยลงพวกบันเทิงของที่ไม่มีสาระประโยชน์ถ้าเป็นอของสาระมีประโยชน์ก็ดูได้เช่น ดูฟังธรรมะหรือดูหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรทำนองนี้ก็ท่านเป็นความรู้ที่เราต้องการศึกษาก็ทำได้แต่เรื่องบันเทิงเรื่องมหัศจรรยต่างๆนี้ถ้างดได้ก็จะดีจะลดกาวมั่ชันท้าลงได้ข<ะ>้อที่สามก็คือความโกรธวางที่เวลานั่งขึ้นมาเราไม่เน้นถึงคนที่ทำให้เราโกรธขึ้นมาก็ ความโกรธก็โผล่ขึ้นมานึกถึงเหตุการณ์ที่ทะเลาะเบาะแว้กันมาหรือเรื่องราวที่ยังมีอธิกรณ์กันอยู่ยังคาราคาซังกัอยู่คิดแล้วก็ทําให้โกรธขึ้นมาอันนี้ก็ต้องใช้หลักการแผ่เมตตาเราต้องรู้จักการให้อภยัยให้อภัยต่อกันและกั น, กนเราอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนเล่นกับไฟนะ เป็นกับปัญต้องอยู่ร่วมกันเช่นใดเราก็ต้องอยู่กับคนอื่นฉะนั้นวิธีทีท่อยู่ร่วมกันได้อย่างสมบก็คือให้อภัยกันอย่าถือโทษกดเคืองกันอันนี้ก็เรียกว่าใช้ความเมตตานาะรับความระับความโกรธได้นะคข้อที่สี่ที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือความง่วงเหงาเอานอนก็อย่า ก, กินให้มากเวลาจะนั่งสมาธิกินให้น้อย งดมือเย็นได้ถ้าเราจะนั่งสมาธิตอนข้ามก็ตั้งัดมือเย็นได้ก็จะดีอยมันก็จะหิวมันก็อา จ, จะเป็นอุปสรรคทําให้จิตฟุงง้งซ่านอีกอันนี้ก็เป็นนิมนต์ในการหนึ่งคือจิตฟุง้งซ่านคิดแต่เรื่องอาหารจะก็ตั้ไม่มีสติสตางที่จะนั่งสมาธิได้อันนี้ก็ลาบากเหมือนกันเพ <laughs> <laughs> าะฉะนั้น <laughs> ผู้ที่จะมาผู้ที่จะมาฝึกสมาธิจริงบางทีต้องมีความอดทนพอสมควร ครับผมอาจารย์ครับคุณธนพรทำกิ จ, จถามว่าพระอาจารย์ครับสวดมนต์ทุกคืนต้องตรวจน้ํำไหมครับ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกันนะเรื่องตรวจน้ํานี่มันเป็นเรื่องอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วนรับไปแล้วการอุทิศบุญนี้สามารถอุทิศได้โดยไม่ต้องใช้ใช้น้ำก็บุญนี้เป็นน้ําใจของเราใช้น้ําใจคือความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจสุขใจที่เกิดจากการทํามนต์ทำบุญเช่นการสวดมน เราก็สามารถแบ่งบุญนี้ไปด้วยการอธิษฐานในจิตเราว่าของอุทิศส่วนบุญส่วนบุญส่วนนั้นนี้ให้แก่ผู้ที่รองรับไปแล้วแต่ผู้ตามหลักความเป็นจริงอะเท่าที่ได้ศึกษามานี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอุทิศบุญจากการสวดมนต์เนื่องจากการปฏิบัติธรรมท่านสอนให้เราสวอุทิศบุญด้วยการทําทานทําบุญทําทานเสร็จก็ให้อุทิศบุญไป เพราะอันนั้นมันเป็นบุญที่สําเร็จได้ได้ง่ายกว่าบุญที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมเพราะบาที่เราปฏิบัติธรรมเปนเชิงบวกบุญจะอาจจะไม่เกิดก็ได้คุณแคทถามว่าการจะฝึกปฏิบัติธรรมให้ได้ในชีวิตประจําวันควรจะฝึกอย่างไรให้มีกําลังใจทําได้อย่างต่อเนื่องคะเมื่อเมื่อตอนนี้เร า, าจจะต้องไปปิดวิเวกก่อนนะหนึ่งไปเข้าโรงเรียนไปเรียน สิ่งที่ก็มีหลักสูตรสอนหลักสูตรสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ไปฝึกการเจริญสติในการฝึกนั่งสมาธิอะไรต่างๆแล้วพอเราได้ไปฝึกมาแนละ้วพอเรากลับมาใช้กับชีวิตประจําวันแล้วก็เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี้มามาใช้ต่อเราฝึกสติได้เราก็มาเอาสติมาการฝึกสติใช้ต่อไปในชีวิตประจําวันของเราได้ ถ้าเราไม่เคยไปฝึกมาก่อนนี้เราจะทําได้ยากเพราะหนึ่งเราจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรสองแม้ถึงแม้จะรู้แต่ไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็จะทําไม่ได้นั้นต้องมีเวลาฝึกต้องมีเวลาไปเรียนมีเวลาไปฝึกเขาจึงมีหลักสูตรสวันห้าวันเจ็ดวันตามสถานที่ปฏิบัติทงางต่างๆให้เราได้ไปฝึกไปเรียนกันเพื่อที่เวลาเรากลับมาที่บ้านเราก็จะได้มาใช้ในชีวิตปรจะจําวันต่อไปได้ คุณวัสนาสุริยวงศ์ครับอยากทราบว่าก่อนสามวันจะถึงวันศีลใหญ่จะรู้สึกปวดหัวมากคะ่ะเป็นมานานแล้วคะ่ะเกิดจากอะไรคะก็เป็นปู้ประทานมังจิตว่างเปลงมั่งพอถึงวันศีลใหญ่ขึ้นมนก็เปลงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของของกิเลสมากกว่าเพราะว่ามันคนจะไม่เป็นเรื่องของร่างกายถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนี้มันต้องเป็นอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นเฉพาะวัน ก่อนที่จะเกิดสีนขึ้นมาม น, นีบไปบนลสีใหญ่อันนี้ก็อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมันจะเกิดกลปล่อยมันเกิดไปยิ่งเราไปคิดถึงมันบ่อยๆมันยิ่งเกิดใหญ่ทำเป็นเลยมันเสี ย, วยเวลาปวดหัวขึ้นมาก็ใช้สติบันเทาได้ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป คุณพันนีสุวรรณสุภาครับกราบน้สัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอถามนะคะว่าเคยนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกว่ายุบหนอพองหนอแต่ปัจจุบันนี้มาฝึกนั่งสมาธิโดยกําหนดพุดโทโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกได้ไหมคะได้คือยงแต่ว่าจะได้ผลหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่จริตของเราว่าอันนั้นจะเมาะกับเราก็ต้อ ง, อง ล, ลองผิดลองเถูกดูก็มีสามวิธีอย่างที่บอก ยุบเนอพองเนอก็ได้หรือดูลมที่ปลายจมูกก็ได้หรือบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือบริกรรมพุโทโธควบคู่กับการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อันนี้ก็ทดลองดูว่าอันไหนได้ผลดีกว่าแล้วก็ใช้อันนั้นไปแต่ละคนนี้อาจจะได้ผลไม่เหมือนกันว่าะจะหม่นไม่เหมือนกันเพราะการกระทำเหล่านี้ก็เป็นเหมือนอาหารที่มีชนิดต่างๆ ซึ่งอาหารแต่ละชนิดเมื่อเราก็ทานเข้าไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่คนก็ยังเลือกอาหารที่ตเนเองชอบกินแล้วมันอิ่มกินแล้วมันมีรสบรชาติกว่ากินอาหารที่เราไม่ชอบคุณบรรลังสอนอามาตยคุณนะครับถามว่าคนที่อยากได้ของผู้อื่นควรจัดดับกิเลส ข, ของเขาได้อย่างไรครับก็ของของเขาเนี่ยเราจะไปเอามาได้ยอย่างไรเมื่อเป็นของของเขา ถ้าอยากจะได้ก็ต้องขออนุญาตจากเขาก่อนถ้าเขาไม่ให้ก็ต้องไปหาเอามาเองอ ย, อย่าไปอย่าไปอยากอย่าไปเอาจากของเขามาแล้วเห็นก็มีรถยนต์แล้วอยากจะได้รถยนต์ของเขาแล้วก็ไปซื้อรถยนต์ของเราถ้าไม่มีเงินก็ไปทํางา น, เ ก, งานเก็บเงินเก็บทองพอมีเงินมีทองพอก็ไปซื้อรถยนต์ตามที่เราอยากได้แต่อย่าไปเอาของของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตว่าเป็นการกระทาบาง แล้วมันจะมีผลตามมาต่อไปเราก็อาจจะถูกคนอื่นเข้ามาเอาของของเราไปโกงกรรมของเกวียนถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาเอาของเราเราก็อย่าไปเอาของของคนอื่นให้หาหาเอาเองไม่อยากได้อะไรล้วก็ไปหามาเองด้วยวิธีที่สุดเจริตเราก็จะไม่มีผลเสียหายหตามมาคุณสุกัญญาครับถามว่าเวลานั่งสมาธิจะปวดไหล่ปวดคอควรจะทำอย่างไรดีคะ แล้วตอนที่มานั่งดูหนังนี่เป็นหรือปลถ้าเป็นเฉพาะเวลานั่งนั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นกิเลสมันเป็นนิวรณ์มันเป็นกิเลสคอยขัดขวางการปฏิบัติธรรมแต่ถ้านั่งดูหนังเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ไม่ไม่ปวดไหล่ปวดคอก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสของเราก็ไม่ต้องไปสนใจนั่าไปอย่าให้ความสนใจแล้วเดียวมันก็จะหายไปเองครับ คุณพัชรานะครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาสวดมนต์จะมีความสุขและสวดได้หลายบทบางทีใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เวลานั่งสมาธินั่งได้สิบนาทีก็คล่องใจไม่ค่อยได้จะทําอย่างไรดีคะและสวดมนต์ได้บุญไหมคะก็ได้เหมือนกันก็ได้การสวดมนต์ก็เป็นสมาธิเหมือนกันเป็นแต่ว่ามันไม่สงบเท่ากับการดูลมหายใจเข้าออกถ้าเรายังดูลมไม่ได้หลังจากสิบนาทีไปแล้วเราก็สวดมนต์ต่อมาได้ สวดไปอย่าเพิ่งเลิกแล้วก็ลองสวดไปสักพักแล้วลองหยุดแล้วกลับมาดูลมใหม่ทําสลับกันไปนี่ก่อนก็ได้จนกว่าเราจะสามารถดูลมได้นานขึ้นนานขึ้นอีกคําถามเรื่องของเขาค่ะอาจารย์ครับบอกว่าทําอย่างสวดมนต์ได้บุญไหมคะได้เพราะเวลาสวดมนต์เราก็ได้สติหนึ่งแล้วก็ได้ความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สงบเต็มที่เต็มร้อย คุณบันลังสอนนมันตะยาคุณอีกครั้งครับบอกว่านั่งสมาธิทํายังไงให้สงบถ้าถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นเราครับแล้วก็ต้องเวลาฝึกใหม่ๆนี้เราต้องไปหาที่ที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นกระตุ้นเรามารบกวนใจเราผู้ปฏิบัติคราบส่วนใหญ่ไหวไงเมื่อกี้เสียงขาดครับอาจารย์กลับมาแล้วครับผมนั่งสมาธิทำยังไงให้สงบถ้าถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นเรา ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งรบกวนสิ่งที่กระตุ้นเราเช่นมานั่งที่ป่าช้าอย่างนี้จะไม่ค่อยมีใครไปรบกวนเราที่สะบอไปปีกวิเวกคนที่ต้องการนั่งสมาธิให้เกิดผลนี้มักจะต้องไปปีกวิเวกคันหรือถ้าเราอยู่ในบ้านก็ต้องมีห้องของเราปิดห้องปิดสมัยินี้เราโชคดีมีเครื่องปรับอากาศก็เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ปิดห้องไม่ให้เสียงของคนอื่นมารบกวนเราเราก็สามารถที่จะนั่ง ทำใจให้สงบได้ง่ายกว่าถ้าเราไปนั่งในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ไม่สงบดังนั้นต้องหลักธรรมนั้นบอกว่าต้องสงบกายก่อนแล้วใจถึงจะสงบง น, นต้องหาสถานที่ที่ห้องร้อมกายเราให้สงบก่อนแล้วพอไม่มีอะไรบรบกวนใจแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบงด้แต่ก็ไม่สงบโดยอัตโนมัตนนะิถ้าไม่มีสติ น, นํางไปยังไงก็ยังไม่สงบ ต้องฝึกสติด้วยแล้วต้องไปหาที่สงบด้วยเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้คุณฉันทนีทวีแก้วครับเรียนถามอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วจะเคลิ้มหลับทุกทีจะทำอย่างไรดีคะถ้าเป็นบัญด้ก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนเดินเดินสมาธิาเราเรียกว่าเดินจงกรมนะเดินไปแล้วก็ใช้พุทโธ ท, ท่อพุทโธไปก็ได้ จะดูเท้าก็ได้เวลาเราก้าวเท้าก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปไม่ต้องเดินช้าแบบคนหันเดินเดินตามปกตินะแล้วก็มีสติรู้ ว, ว่าเรากําลังก้าวเท้าซ้ายกําลังก้าวเท้าขวาไปเพื่อให้เตือนอันนี้เป็นแก้แก้ปัญหาแบบแบบปัจจุบันทนันด่วนอย่างถ้าต้องการแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆที่มันต้องแก้หนึ่งเรื่องของการรับประทานอาหารอย่ารับประทานอาหารมาก หรือสิงป่าได้จะช่วยได้มากแล้วก็ถ้าแล้วก็ไปหาที่สงบส ง, บส ง, บสงบัดวิเวกที่ที่น่ากลัวหน่อยเช่นในป่าช้าในปา่าเปลี่ยวอย่างนี้ไปอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมเป็นวัดป่าอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่รู้สึกสงบสงบัแล้วกน็น่ากลัวนิดหน่อยมันก็จะทําให้มีสติตื่นตัวจะทําให้ไม่หลับ คุณมัิสกุลดีถามว่าวิธีรักษาศี่ห้าทำอย่างไรคะก็ต้องรู้ก่อนว่าสี่ห้ามมีอะไรบ้างข้อหนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อสองไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นข้อสามไม่ประพฤติผิดปรเพณีอเวณีข้อสี่ไม่พูดปดข้อห้ามไม่ดื่มสุรายาเมาพอเรารู้ข้อห้ามเหล่านี้แล้วเราก็อย่าไปทํามันได้เลย อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้กระทั่งมดมแมลงและอยู่อะไรเป็นต้นนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์เหมือนกันสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายฆ่าไม่ได้ถ้าจะรักษาสีนะ่หทรัพย์ของคนอื่นเราก็อย่าไปหยิบชาอะไรของคนอื่นต้องขอญาติญาติจากเจ้าของาก่อนแล้วก็ให้เก็เอามาได้ถ้าก็ไม่ให้ก็อย่าไปเอ า, ายอย่าไปขโมยง่ายๆข้อสารว่าการประพฤติไม่ประพฤติผิดประเพณีก็คือการร่วมเพศกับผู้ที่ไม่ใช่ข้อ คู่ครองของเราสามีภรรยาของเราถ้าจะร่วมเพศก็ร่วมเพศกับคู่ครองของเราเพียงอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าประเภทนีของของมนุษย์มนุษย์นี้จะอยู่แบบสามีภรรยาร่วมเพศกันกับสามีภรรยาถ้าไปร่วมเพศกับคนอื่นนี่ก็เป็นเหมือนเดรัจฉานเห็นสัตว์เดรัจฉานไหมเขาไม่มีสามีภรรยาเขาเจอใครที่ไหนเขาถูกใจกันเขาก็ร่วมเพศกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องรวมเพศกับเฉพาะคนที่เขาเป็นคู่ครองของเราเท่านั้นแล้วข้อสีก็ไม่พูดปดให้พูดความจริงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ในสินห้าไม่ได้ห้าไมไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดเพ้อเจ้าไม่ให้พูดส่อเสียดอันนี้เป็นเป็นเป็นสีนขั้นสูงของของผู้ปฏิบัติธรรมมากกว่าเพียงแต่ไม่ให้พูดปดเท่า น, นั้นเองให้พูดความจริงอย่าพูดโกหก แล้วข้อห้าก็อย่าดื่มชุรายาเมาเพราะเมื่อาาเดื่มชร า, าเข้าไปแล้วก็อาจจะเกิดการมึนเมาขาดสติและจะทําให้ไม่สามารถย้ำยังใจเวลาจะทําบาปได้ดีเลยครับอาจารย์อยางพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นกับเพื่อนนี่ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมครับไม่ถือว่าไเป็นไรถ้าถือสินาสินตาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นนักบวชอย่างท้านนี่ไม่ควรอพูดเป็นกุศลกุศลกรรมอกกุศลกรรม อาจารย์ครับคุณละเลนถามว่าจะทํายังไงเวลาเจอคนที่ชอบดินทาว่าร้ายจะพยายามจะไม่โมโหแต่ก็ทําไม่ได้สักทีครับก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกนี้มันเป็นมีของคู่กันคือนมีสารเสริญก็มีดินทาเราจะไปเอาแต่สารเสริญอย่างเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้พรูแต่จาสอนว่าเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องสัมผัสกับโลกธรรมสี่คู่ด้วยกันโลกธรรมแปด คือหนึ่งมีการเจริญราบก็ต้องมีการเสื่อมราบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อยยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นธรรมดามีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดามันเป็นของคู่กันมันมาด้วยกันถ้าเราไม่อยากที่จะเดือดร้อนเราก็อย่าไปยินดีกับคาําสรรเสริญถ้าเราไม่ยินดีกับคาําสรรเสริญเวลาใครก็นินทา เ, าเราก็จะไม่เดือดร้อน ถ้าเราไปยินดีกับเขาสารรเสริญก็แสดงว่าเราต้องขายให้เขาสารรเสริญเราอย่างเดียวแล้วก็ดินทาเราแล้วก็จะโกรธขึ้นมาทันทีหรือจะให้คิดอย่างนี้ก็ได้ว่าให้คิดว่าเสียงยินทาก็เป็นเหมือนเสียงสุนัขเห่าก็แล้วกันเวลาสุนัขเห่าเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเห่าก็ต้องปล่อยให้เขาเห่าไปน่าจะทาให้สบายใจขึ้นนะครับอาจาร คุณรุชยาครับขอเรีนถามว่าจิตสงบนิ่งเฉยต้องทําอย่างไรต่อไปคะถึงจะเกิดปัญญาครับเขณะนิ่งเฉยนี่พยายามรักษาให้นิ่งเฉยเป็นนานๆก่อนยังไม่ใช่เวลาที่จะให้เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดได้นี้ต้องออกจากสมาธิมาแล้วแล้วก็มาเจริญมาศึกษาความจริงเช่นให้พิจารณาความตายเป็นต้นพิจารณาว่าร่างกายของเรานี่เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ร่วมพ้ความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้สอนใจไปเรื่อยใจกว่าใจจะยอมรับความจริงอันนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วต่อไปเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะนิ่งจะเฉยไม่เดือดร้อนถ้ามีปัญญาถ้ายังยังไม่เฉยยังไม่ยังยังเศร้ายังกลัวอยู่คุณแสดงว่ายังไม่มีปัญญาปัญญายังไม่พอสอนใจยังไม่ถึงขั้นที่ใจยอมรับความจริงอันนี้ คุณบังลังสอนครับบอกว่าเราจะแผ่เมตตาคนที่ทําเราไม่หยุดด้วยทีไหนได้บ้างครับก็ให้เงินเขาดูสิเจอเขาที่ไรก็ให้เงินเขาไปดูสักพักให้ไปไเรื่อยๆ <Okay. S 2> เดี๋ยวเขาหยุดเองอะ่ะจากการปเป็นศัตรูก็กลายเป็นเป็นเพื่อนขึ้นมาได้อันนี้น่าจะจริงนะครับคุณจินตนาครับถามว่ากราบเรียนพระอาจารย์ค่ะท่องนโมพุทธายะก่อนนอนและก่อนออกจากบ้านดีไหมคะ ก็เป็นการเจริญสติคนจะท่อทั้งวันเลยไม่ใช่เฉพาะก่อนจะนอนหรือก่อนจะนอนอก จ, จากบ้านพยายามท่องทั้งวันเลยเออกจากบ้านไปขณะเดินทางนั่งอยู่ในรถไม่ต้องขับรถก็ท่องไปเวลาทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ท่องไปไม่ใช่ท่องแค่คำสงคำเท่านั้นเองไม่พอการท่อง น, นี้เพื่อให้ท่องให้มีสติเพื่อให้ใจหยุดคิดเพื่อเพื่อที่เราจะควบคุมใจของเราได้แต่เวลาอใจเราโกรธหรืออะไรขึ้นมาแล้วก็ท่องไปเดี๋ยวเดียวมันก็หยุด ความปวดก็หายไปได้คุณทิทิรัตนะครับบอกว่าวิธีพิจารณาความตายในชีวิตประจาําวันควรพิจารณาอย่างไรคะหรือควรพิจารณาหลังจากจิตถอนจากสมาธิเจ้าคะถ้าเราพิจารณาได้ตลอดเวลาก็าพิจารณาไปเลยเห็นใครก็บอกเดี๋ยวเขาก็ต้องตายเขาก็เหมือนเราร่างกายเขาร่างกายเราเหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าจะตายนเอย่างไรวันดีคืนดีคนนั้นก็ตายขึ้นมาวันนี้ก็ตายขึ้นมา อันดีก็ดีแล้วก็อาจจะตายขึ้นมาก็ได้ให้คิดไปอย่างนี้เราจะได้แม่ต่อมาจะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้ก่อนเวลาเกิดความตายใจเราจะได้ไม่ตกใจเราจะได้ไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาได้อย่างเป็คนจะพิจารณาคู่ไปเรื่องก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดที่มาครอบครองร่างกายนี้ที่สักวันหนึ่งก็จะต้องจากกัน เป็นเหมือนปลาต้องโกหรือเป็นเหมือนแสษสยาม mm hmm. คนยังตายคนยังไม่ได้ตายใจไม่มีวันตายสิ่งที่ตายคือร่างกายแต่สิ่งที่ตายไม่ใช่ใจไม่ใช่เราดนั้นเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจแดดร้อนเพราะเขาไม่ใช่เราที่เราตื่นเต้นตกใจเพราะเราหลงเพราะเราไปคิดว่าเขาเป็นเรานั่นเองคระอ า, ะาจารย์จะไม่ตายอีกสัก ถึใช่แล้วแต่แล้วแต่ผมอยาพิจารณาแลวันผมพระอาจารย์จะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่เขาบอกก็ขอขอโอกาสพระอาจารย์สักชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับอีกสักที่สิบกว่านาทีครับผมโอเคเชิญคุณกฎหมายวิทยารักษ์ครับบอกว่าเวลาเจ็บป่วยไม่สบายควรทําสมาธิอย่างไรเพราะตอนป่วยจะมีอาการปวดหัวเบอร์เบอร์ครับคือการทําสมาธิก็เหมือนกับการขี่จักรยานเนี่ย ถ้าเราไม่หัดขี่จักรยานมากออ่อนพอถึงเวลาเราจะขี่จักรยานเราจะขี่ได้หรือเปล่าใช่ไหมย er, าต้องฝึกหัดขี่จักรยานก่อนเมืวันดีขึ้นดีเราจะต้องไปไหนมาไหนแล้วก็มีจักรยานอยู่เราก็จะหยิบจักรยานขึ้นมาขี่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่เคยหัดขี่จักรยานมาก่อนพอเราจะขึ้นไปขี่ก็ขี่ไม่ได้ดังนั้นการทําสมาธิก็แบบเดียวกันี้เราต้องฝึกทําสมาธิให้เป็นก่อนไม่ใช่มาฝึกทําตามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะตอนั day, so, going, ้นมันก็จะทําให้ได้ยิ่งตอนที่เราเจ็บไายได้ป่วยจิตใจเรายิ่งวุ่นวายกว่าตอนที่เราไม่ได้เจ็บคไายได้ป่วยเพราะฉะนั้นการที่จะทําสมาธิเราจึงต้องมาหทํากันอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันชํานานพอชํานานแล้วเวลาเจอความเจ็บไายได้ป่วยเจอความตายเนี่ยเราจะใช้สมาธิช่วยได้ช่วยจิตใจได้มากจิตใจเราจะสงบจิตใจเราจะเย็นจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไขนจะไม่เดือดร้อนกับความตาย ครับผมแล้วถ้าการครับสมมติว่าถ้าเขาไม่เคยฝึกมาเลยสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยครับแล้วพอจะช่วยเนียวนยํายังไงได้บ้างไหมครับผมก็เหมือนกับขีนะ่จักยานไม่เคยขี่มาเราจะให้ทํำยังไ<อ>ง <S <S สอนอยังไอองก็มันก็เป็นสอนด้านบุพโยพุดโยไปเขาก็ไม่เชื่อเขาพูดโธได้คำของคํำเ้าก็หยุดเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าผลของการบริกับพุโทโธว่าเป็นยังไงนั่นต้องฝึกก่อนฝึกแล้จะได้รู้ว่าออกมาเราพูดโธพูดโธไปเรื่อยๆแล้วใจเราเย็นลง ความวกลัวความตื่นเต้นตกใจมันหายไปเวลาเห็นประโยชน์จากการบริกรรมพุทโธต่อไปเวลาเราตื่นเต้นตกใจหรือหวาดกลัวเราก็ใช้พุทโธได้ครับผมคุณจิรภาครับถามว่าขอสอบถามค่ะพระอาจารย์ขณะทํางานจับโน้นจับนี่ใช้บริกรรมนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะไปเรื่อยๆรู้สึกจิตไม่วอกแวกค่ะพระอาจารย์ทําอย่างนี้ได้ไหมคะได้แต่ต้องรู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ไม่ใช่จับผิดจับถูก ด, ด้วยนะ เราไม่มีสติอยู่กับการจับด้วยแล้วก็มีการบริกรรมนโมตัสสะไปกลับอีกชั้นหนึ่งข้อสําคัญต้องขณะที่เราทำอะไรเราต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำํำมีแนวทําผิดทําถูกจัดย้ายให้คนไข้จัดผิดจัดถูกเดี๋ยวคนไข้าอายาม <c oughs> ผิดไปกินก็นตายได้เั้นต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทําแล้วถ้ามันยังใจยังวอกแวกไปคิดเรื่องนั้นเรืองนีอยู่แล้วก็สวดนโมตัสสะไปครับควบควบคู่ไปด้วยก็ได้ มีคำถามที่ใกล้มาพอดีเลยครับบอกว่าคุณดาราบอกว่าเวลาที่หมอตรวจคนไข้าสามารถฝึกสติได้ได้มั<ล> <c oughs> บนั่นนะครเราก็่าถ้มีสติอย <c oughs> ู่กับคนไข้ถ้าไม่ใช่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตรวจผิดตรวจถูกได้คุณโน้ตครับบอกว่าเคยเอาอาหารคือบาจ่างในตู้เย็นมานึ่งเอาไปตักบาตรแต่มารู้ทีหลังว่าเอาไปไหว้เจ้ามาแล้วตอนตักบาตรยังไม่รู้อย่างนี้บาหรือเปล่าครับอไม่บาปหรอก อาหารขอให้มันอย่าบุญก็แล้วกันเพราะว่าบูดแล้วพระสั้นฉันไปแล้วก็ทําให้ท้องเสียได้อะไก็ไม่บาปถ้าเราไม่มีเจตนานอกจากถ้าเรามีเจตนาอยากจะแกล้งพระอยากจะให้พระท้องเสียอย่างนี้ถึงจะบาปคุณบรรงสอนครับคนที่มีความสามารถแต่ใช้ความสามารถไปในทางที่ผิดถือว่าเขามีบุญหรือมีกรรมครับถ้าใช้ในทางที่ผิดมันก็เป็นกรรมเป็นบาปถ้าใช้ไปในทางที่ถูกก็เป็นบุญ คุณวิลาวันครับถามว่ากลาวธรรมสการพระอาจารย์อยากกล่าวปรีเดนถามพระอาจารย์ค่ะกรณีที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าสู่ภพภูมิที่ดีเจ้าคะก็พยายามรักษาศีลห้าให้ได้ตลอดชีวิตอย่าทําบาปแล้วเวลาตายไปจิตจะไม่ตกไปในอภัยรักษาศีลห้าคอนี้ท่านเองไม่ต้องทําบุญก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินทําบุญทําทานก็ไม่เป็นไร แต่รักษาสีนี้สําคัญกว่กาการทำุูเราทานถ้าเราต้องการไปเกิดในสุคติคือเกิดเป็นพุทโธเราต้องรักษาสีห้าให้ได้ถ้าเราขาดไม่รักษาสีห้าเราจะตกไปในอาบายสีสถานที่ด้วยกันเป็นเดราาัจฉานหรือไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรร่างกายหรือไปตกนรกเป็พยายามรักษาศีห้าให้ได้แล้วตายไปเราจะไม่ไปสู่ที่ต่ําอย่างแน่นอน คุณพอม้าครับกราบเรียนนำ้ำมัสการพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธพร้อมกับลมหายใจสักพักจิตจะดิ่งวูบลงแล้วช่วงนั้นจะลืมพุโทโธแล้วพอสติรู้ว่าลืมพุโทโธก็จะกลับมาใช้พุโทโธต่อแบบนี้ควรกลับไปพุโทโธหรือปล่อยให้จิตดิ่งครับวางให้จิตนิ่งดีกว่าให้รู้เฉยๆดีกว่าถ้าจิตนิ่งแล้วจิตนิ่งเฉยๆก็ไม่ต้องพุโทโธแล้วแสดงว่าจิตสงบนะ ก็้สักแต่ว่ารู้ไปพยายามปรคับประคองให้จิตนิ่งถห้รู้เฉยๆถ้าเกิดมีความคิดผล่ขึ้นมาก็หยุดมันหยุดมันด้วยคูณเทอกระดไม่ยุดด้วยสติกระคุณดวงพรครับกราบน้ัพสการครั บ, รรบอ่ใช้จะน้อยหยุดไป อ, อกราบนำ้ำสการพระอาจารย์ได้ยินไหมครับกลัว ค, ค, ความพันพ ร, รากครับผมกลัวอยากจะฝึกจิตให้เข้มแข็ง พ ร, ะราะ ก, กูต้องฝึกก็ต้องฝึกจิตให้ใ ห, ให้มีให้มีสมาธิขึ้นมาก่อนเพราะว่าความพัฒนาเนี้เป็นความจริงที่จิตยังไม่ยอมรับเพราะกิเลสมันต่อต้านให้เราต้องทําเราต้องฉีดยาสลบให้กับกิเลสการฝึกสมาธินี่เป็นเหมือนกับการวางยาสลบทให้กับกิเลสเวลาฝึกสมาธิใจเราจะนิง่งกิเลสก็จะทํางานไม่ได้แล้วพอเราออกจากสมาธิมากิเลสยังยังไม่ฟื้นจาก ความสงบเราก็มาคิดถึงความพัดผ่ามาสอนใจว่าการพัดผ่าจากรนี้เป็นเรื่องธรรมดาลุกคนมาตัวเปล่าเปล่าแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็ไปตัวเปล่าเราไม่ได้เอาใครมาครอบครัวเก่าที่เราทิ้งไว้เขาก็ไม่ได้มาของเราครอบครัวใหม่ที่เราจะจากเข้าไปแล้วก็ออกไปไม่ได้นคิดอย่างนี้เราต้องเคิดด้วยใจที่มีอุเบกขาน้นนนยาวยด้วยสงบในพยายาฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆก่อนแล้วค่อยมาคิดถึงความพัดผ่าจากกัน คุณนว่านันครับบอกว่าเวลาสวดมนต์ทําไมต้องหานอนน้ําตาไหลบ่อยครั้งที่สวดมนต์คะเพราะมันมันเป็นการตอกใจให้สงบให้นิ่งเยซึ่งมันไม่เหมือนกับการดูภาพยนตร์นี่มันจะกระตุ้นอารมณ์ต่างๆขึ้นมามันก็เลยไม่งว่วงแต่เวลาทําใจให้สงบนี้พอใจสงบถ้าสตินอนน้อยมันก็จะหาวมันก็อยากจะนอนหลับแต่ถ้าเรามีสติมากมันจะไม่ ม, มันจะเน่งมันจะเฉล่อยมันจะสักแต่ว่ารู้คุณแซนสันครับบอกว่าหนูนั่งแค่ห้าถึงสิบนาทีหนูเห็นความว่างหนูรีบเข้าพักทันทีจําที่พระอาจารย์เทศได้เหมือนเรานอนหลับสนิทพอออกจากสมาธิมันอิ่มและสดชื่นมากค่ะสงสัยว่าสังขารวิญญาณขันหายไปไหนหมดก่อนหน้านี้มันรุนแรงมากค่ะก็เวลานั่งสมาธิเราก็หยุดสังขารความคิดปุ่นแต่งนี้เอง ใจเราก็นี่ใจเราก็ว่าใจเราก็สบายในการนั่งสมาธิก็เพื่อหยุดสั่งขานความคิดปุ่มแต่งสั่งขันคันขัปปน น, ขข น, ข น, นั่งสี่น้ำวันขันก็จะหยุดทํางานเชืว่วคขาคุณแว่นแว่นนะครับกล่าวนวะัฏสการพระอาจารย์เจ้าข่ากับเรียนพระอาจารย์เจ้าข่าว่าการทานเจเป็นประจําจะถือเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งหรือเปล่าเจ้าค่ะ ไม่เป็นหรอกถ้าเป็นพวกพวกมัวควายมันก็เป็นได้บุญเยอะกับมนุษย์เราเลยพวกสัตว์ที่กินผักอย่างเดียวแล้วก็ต้จงได้บุญอย่างแน่นอนการกินเจนี่ไม่ได้บุญอะไรเลยเพียงแต่ว่าอาจจะลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมันก็เหมือนกันเหมือนกับกินเจถ้าเราไม่ได้ฆ่าเ อ, ง, อางการกินเจนี่ไม่เกิดบุญแต่อย่างใดไม่เข้าใจถ้าเกิดบุญงั้นถ้ากขา คูบาาจารย์ท่านก็พูดว่าพวกวัวควายนี่มันก็ได้บุญมากกว่าพวกมนุษย์ที่กินเนื้อสัตว์คุณเนวาน่าโซนครับกล่าวนพัธ ก, การพระอาจารย์ขาเรียนถามว่าเมื่อเรานั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบนิ่งถึงระดับหนึ่งแล้วเกิดชุดคําสอนต่างๆเข้ามาในสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือวิปัสนาหรือวิปัสสุกิเลสครับคือถ้าเป็นวิปัสนามันต้องเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขงังอนัตตา เช่นปรากฏร่างกายของเรานอนตายขึ้นมาหรือกายเป็นคนแก่ขึ้นมาให้เราเห็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเพราะมันเป็นความจริงถ้ามันเกี่ยวกับตายรักมันเป็นความจริงถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพูดผีเทวดาผีสางเทวดานี้เราไม่รู้เป็นจริงหรือไม่จริงเพราะเราไม่เคยเจอพวกสิ่งเหล่านี้มาก่อนนั่นก็ต้องระวังเวลาเกิดลิมิตอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะที่เราทั้งสมาธิถ้าเราไม่รู้ก็ อย่าไปสนใจหรือพิจารณาว่าเป็นตายรักไปว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราก็กลุมบังคับไม่ได้อย่าไปเอามาเป็นสาระโดยเด็ดขาดว่าอาจจะทําให้เราหลงกลายเป็นวิปัสสนาได้บางคนอาจจะคิดว่าได้เจอพระพุทธเจ้าได้เจ อ, เ, อเทพองค์นั้นองค์นี้ซึ่งมันอาจจะเป็นความคิดปุูแต่งว่าเราปูแต่งขึ้นมาเองก็ได้ถ้าเจอสิ่งเหล่านี้อย่าพึ่งไป อย่าเพิ่งไปมาว่าเป็นอะไรต้องอาจจะต้องใช้ประสบปปการณ์ใช้การพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงก่อนอถึงควรจะเชื่อต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะพิสูจนได้ก็ไว้ให้มันเกิดแล้วดับไปแล้วก็ลืมไปไม่ต้องไม่ต้องไปสินใจคุณ sshelpshop.com นะครับบอกว่าหลับตาดูลมหายใจแล้วจิตวิ่งออกง่ายมาก และสติจับจิตที่วิ่งออกได้น้อยเปลี่ยนเป็นลืมตาจ้องพระพุทธรูปได้ไหมครับรู้สึกว่าจิตนิ่งกว่าก็ได้แต่เมื่อจิตนิ่งแล้วควรจะหลับตาเพราะว่ามันจะเด่งแง่เพียงระดับเดียวเท่านั้นเองมันจะไม่สามารถนิ่งได้เต็มที่เพราะจิตยังโฉบออกข้างนอกการนําสมาธิเราต้องการดึงจิตเข้าข้างในดึงกระแสของวิญญาณคือรูปเสียงเกิดที่วิญญาณที่ไปรับรูปเสียงกกิดให้เข้ามาข้างในใจ เห็นตอนเริ่มต้นถ้าเรายังไม่สามารถทีนัจะหลับตาได้เราก็ลืมตาดูจ้องดูบรบเร่าูุไปก่อนก็ได้แล้วพอจิตหยุดวิ่งแล้วเราพ่ายหลับตาแล้วก็มาพุโทโธต่อแล้วดูลมหายใจต่อเพื่อให้จิตที่น่นเข้าข้างในถ้าอย่างเป็นร้อยต่อไปคุณนรินทร์สีนาย น, นะคะับบอกว่าที่ฐานรักษาศีลห้าตลอดชีวิตแต่ยังพูดกะแนะกันแหนลืมตัวบ่อยมากศีลไม่ครบหรือเปล่าคะ ก็ถ้ายังไม่ถ้ายังยังไม่พูดความจริงอยู่ก็ไม่ยังถือว่าครอบอยู่เพราะสินหานี้ไม่ได้ห้ามไม่พูดพังแจ๋วไม่พูดคำหยาบไม่พูดอะไรอย่าพูดโกหกกันแล้วกันเจริญคุณปูเป้นะครับบอกว่าจเจริญสติในชีวิตประจำวันชอบหลุดป่อยมากจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็พยายามทำต่อไปเวลาหลุดก็ดึงกันบมา เวลาเหมือ น, นกับการเด็กที่เริ่มหัดหัดเดินหัดยืนอาจจะลุกขึ้นมายืนได้สองเก้ายืนได้เดินได้สองเก้าก็ล้มลงไปก็ก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็พยายามันขยันตั้งสติใหบ่อยๆเวล า, ยาสติหมจก็ดึงกลับมาใหม่ตั้งใหม่เวลาพุโทโธหายไปเพราะได้สติก็พุโทโธต่อไปพยายามทำอย่านี้ไปเรื่อยๆก่อนอย่าท้อแท้เบื่อนหน่ายก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวต่อไปสติก็จะดีขึ้นไปทาา คุณนั้นนะหน่อยนะครับบอกว่าตอนนี้จะเห็นใจมีแต่ความอยากอยากมีอยากได้ทั้งวันควรทําอย่างไรคะมาคิดถึงความตายบ้างเลยถามว่าตายไปแล้วเอาพเอาคอโมโบเหล่านี้ไปได้ไหรือเปล่ามันก็จะลดความโลภความอยากได้คุณสุกัญญาครับถามว่าถือศีลห้าแต่ที่บ้านเป็นร้านขายของมีขายเหล้าเบียร์ด้วยจะผิดศีลไหมคะไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ดื่ม แ ต, แต่ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีพไม่เป็นอาชีพที่เราไม่ควรประกอบแต่ถ้าเรายังอีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเรายังหาอาชีพหนุนไม่ได้ก็ทําไปก่อนแต่ไม่บาปเพราะเราไม่ได้เป็นคนดื่มเองคุณบรรลังสอนถามว่าดื่มสุราเพื่อการนอนหลับถือว่าผิดศีลห้าหรือเปล่าครับผิดผิดเหมือนกันเพราะว่าไม่มีข้อยกเว้นว่าดื่มสุราเพื่อเหตุผลกลไกใดทั้งสิ้น คุณจีจีสมายบอกว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่ทําร้ายเราให้เสียใจยเดือดร้อนจะมีคนมาปลอบใจพูดว่าให้คิดซะว่ามันเป็นกรรมเก่าแต่มันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคือกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ที่เขามาสร้างให้เราจะทํำยังไงคะที่จะให้รู้อันนี้เราก็ต้องมีศรัทธาเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าเราเคยทำกรรมมันใดไว้เราก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วมันก็จะทําให้เรารงับการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าเราไปตอบโต้เขาเราก็ไปสร้างกรรมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาตอบโต้เราอีกมันก็จะบานปลายไปเรื่อยๆคําสอนของพระเจา้าท่านบอกเวรไม่นา ง, งับด้วยการจองเวรเวรนา ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไม่ต้องการในเวรในกรรมของเขาเราก็อย่าไปก่อเวรก่อกรรมกับเขาถือว่าสิ่งที่เขาสร้างกันเราถือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้เป็นเหตุสุดวิสัยก็ได้ เช่นบางทีเราเดินไปในสวนลูกมพ้าหล่นตกมาทุบหัวเราอย่าเงี้ยเราจะไปโกรธต้นมะพร้าวได้หรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุไปที่ว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุไปก็แล้วกันเราไม่ต้องไปอตอบโต้มันก็ผ่านไปแล้วคืออย่าไปเจ็บสองเด้งเจ็บกายแล้วก็อย่าไปเจ็บใจเสียครับเจ็บเด้งเดียวก็พอเจ็บร่างกายแต่อย่าไปเจ็บใจด้วยการโกรธด้วยการอาฆาตไปยกว่าด้วยการให้อภัยดีกว่า หรื อ, อยามรับว่าเป็นกฎแห่งกรรมไปเรื่องของเวรกรรมไปคุณราเลนถามว่าเวลาออกจากบ้านจะท่องพุทโธสามจบจะท่องจัดสันนโมนโมพุทธายะจะคุ้มครองเราได้หรือเปล่าคะร่างกายนี้คุ้มครองไม่ได้หรอกร่างกายเป็นเป็นเรื่องของวันนี้เรื่องที่จะมาทํำลายร่างกายได้เยอะแยะจ น, นถึงเวลามันก็ต้องเจ็บถึงเวลามันก็จะต้องตายตามเหตุตามปัจจัยต่างๆ ที่ท่องนี้เพื่อกุ้มข่อมจิตใจไม่ให้ทุกไม่ให้วุ่นวายไปกับความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่ต้องท่องบ่อยๆสามจบนี้ยังไม่พอสามจบนี้เป็นเพียงนกกระจอกกินน้ํำนะต้องท่องไปตลอดเวลาเลยเวลาที่เราไม่ต้องคิดอะไรอย่างงไปหยาบท่องไปไเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเจอภยยัยอะไรต่างเราก็าายังได้ท่องพุกโธได้แล้วภยัยท่านจะไม่เข้ามาในใจเรามันจะเข้ามาได้แค่ที่ร่างกายของเราเท่านั้น แต่จะไม่สามารถมาทําร้ายใจของเราได้ครับคุณตะมุตะมิสองพันเก้าครับกราบธรัมสถารหลวงพ่อค่ะไม่หลุดพ้นจากเรื่องกลาวในอดีตค่ะอยากทราบแนวทางจากพระอาจารย์ค่ะจลานัติพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธพอจะคิดถึงอดีตตั๊บก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปหัดัดเปิดพุทโธไว้ก่อนจะมาทําตามที่คิดถึงอดีตเพราะทำตอนนั้นถ้าพุทโธไม่มีกําลังมันจะหยุดไม่ได้ ในตอนที่เรามีเวลาว่างไม่คิดอะไรก็เอาพุโทโธพุโทโธไปฮัทซ่อมพุโทโธไปเรืเ่อยๆก่อแล้วต่อไปพอมันจะคิดถึงอดีตแล้วก็ต้องพุโทโธสู้กับมันไปแล้วเดียวๆความคิดในอดีตมันก็จะหายไปคุณโอโอโอไว้ยวนะครับบอกว่ารักษาศีลห้าแต่เรายังทานเนื้อสัตว์แบบนี้ถือว่าขาดศีลข้อฆ่าสัตว์ไหมคะไม่ขาดหรอกถ้าเราไม่ไปสั่งให้เขาฆ่าให้เรา เลือกค่าเองเพื่อเอาเนื้อสัตว์แล้มารับประทานถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเช่นเราไปซื้อที่ตลาดหรืออาหารที่ก็าทำสำเร็จดูแล้วอันนี้เราไม่บาป ไ, ไม่ผิดศีลห้าแต่อย่างใดมีคำถามจากคุณ NPR ครับบอกว่าอนาปาณสติกับบริกรรมพุทโธมีระดับความสงบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันพุทโธนี้ก็เข้าสู่ผู้เบกขาได้ดูลงมาใจาเข้าก็เข้าอุบอบเบกขาได้ แล้วแต่เราจะเลือเราเราชอบอย่างไรแล้ว้็เอาอย่างนั้นคุณ88 Health Shop นะครับบอกว่าเคยไปฝึกเดินจงกรมแล้วพระอาจารย์สอนให้เดินช้าๆรู้สึกว่าขาเกรง็งแล้วตัวเอียงเราสามารถเดินไปในความเร็วปกติที่เดินใช้ชีวิตประจาวันได้ไหมครับถ้าเดินปกติควรกำหนดอย่างไรก็ได้เราควรจะเดินตามปก ต, ติไม่ควรที่จะไปเดิน นชา้านอกจากว่าเราคิดว่าถ้าเดินช้าแล้วทำให้เรามีสติดีกว่าเดินธรรมดาก็เดินช้าได้แต่ถ้าเราสามารถมีสติแบบที่เราเดินตามปกติได้ก็ไม่ต้องเดินชา้าก็การเดินก็มีการกำหนดสติได้สองวิธีเช่นกำหนดที่เท้ามาครตอนนี้เรากำหนดก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาแล้วก็ว่าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับเทา้าอยู่ ก, การย่างเทา้า ด้วยอีกวิธีหนึ่งก็ให้เราทำอพุโทโธพุธโทโธไปในขณะที่เราเดินก็ได้คุณธีรติกกาออนันต์นะครับบอกว่าอยากไปใส่บาตรพระแต่กลัวจะไปใกล้พระเอาเชื้อโควิดไปติดท่านผมคิดถูกหรือผิดครับก็สมัยนี้ก็ทุกคนก็มีวิธีป้องกั น, น ก, ก็ใส่หน้ากาศเนื้อก็ออกไปบินฑบาบรทุกวันก็ไม่ายากเดี๋วมาใส่บาตรทุกวันทุกคนก็ตานก็ตามใสกก่หน้ากาก เราก็ทำอย่างนี้มาทั้งปีแล้วมันก็ยังไม่ติดสักทีครับคุณวัชรินทร์ครับถามว่าบางครั้งไม่ได้นั่งสมาธิและเดินจงกรมแต่พยายามดูลมหายใจทุกขณะที่นึกได้โดยไม่พุโทโธพอจิตแวบไปที่อื่นจะดึงกลับมาแบบนี้ได้ไหมคะได้ถ้าเราสามารถดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดปรุงแต่งหรนนั่นงเลาต่างๆได้ก็ใช้ได้เหมือนกันคุณ NPR นะครับบอกว่ากราบนมัสสัต การพระอาจารย์ครับเป็นห่วงพ่อแม่มากๆจระอย่างไรครับรู้สึกเป็นทุกข์ที่จะที่จะรักได้มากครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องพยายาม่นสอนใจเราอย่างว่าพระเจ้าหรอกเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพลาดจากกันเป็นธรรมดาเรื่องพ้นจากการพลาดจากกันไปไม่ได้และก็ไม่ใช่เฉพาะเราครอบครัวเราครอบครัวเดียวที่มีการพลาดพาดจากกัน ทุกๆครอบครัวเลยตั้งแต่ระดับสูงสุดลงมาถึงระดับต่ำสุดนี่จะต้องมีการพลดพลากจากกันพระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ถ้าไม่อยากจะมีการพลาดพลาดจากากันก็อย่ามาเกิดในโลกนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้ า, าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้า ต, ต่างเรายังมีการมาเกิดอยู่ยังต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพลาดพลาดจากากันเสมอไปเพราะพระพุทธเจ้าถึงออกไปปฏิบัติทำเพื่อหยุดการเกิดนี่เอง เพราะมื่ท่านไม่กลับมาเกิดแล้วท่านก็ไม่ต้องมาเจอกับการพัดผ้าจากกันเลยกับพวกเราที่กังเจอกันอยู่ในขณนะนี้อาจารย์ครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับป้าสมโอบอกว่าคุณหมอคะป้าเจคมกินเจนะครับติดต่อกา ร, รตั้งปฏิทานไว้เริ่มเมื่อวันที่สามพฤษภาปีหกหนึ่งถึงวันนี้ก็สามปีมาแล้วนอกจากไม่ได้บุญแล้วมีอะไรที่ได้หรือเปล่าครับอาจารย์อาจจะได้สุขภาพมั้ง กินกินผักนี่อาจจะดีวกว่ากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเนื้อสัตว์เนี่อาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาได้แต่ถ้ากินผักนี่ก็อาจจะปลอดภัยจากโรคมะเร็งก็ได้อาจจะได้ประโยชน์ทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากว่าอาจจะมีความเมตตาขึ้นมาก็ได้ว่าไม่อยากจะฆ่าสัตว์ชีวิตขึ้นมาก็อาจจะได้รักษาสิ่งหนึ่งได้อย่างเป็นประโยชน์คือก็อถามตัวเองว่าระยะสามปีมานี้ตกอยู่มังบบางหรือเปล่าฆ้ามดม บ, บ้างหรือเปล่า ถ้าเราลักรักษัตจริงๆไม่อยากจะกินเนื้อเขาเราก็ต้องไม่ฆ่าเขาหมดแมลงมันก็เป็นเหมือนหมาแมวเหมือนหมูเห ม, เ, หมเหมือนเหมือนวัวควายเหมือนนั้นเป็ดเหมือนไก่งั้นถ้าเราลักถ้าเรากินเจมาแล้วเราไม่ไปฆ่าสัตว์ก็ถือว่าเราได้ศีลก็ได้บุญแต่ถ้ากินเจอย่างเดียวแต่ไม่รักษ า, าศีลอยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่อันนี้ก็ไม่ได้บุ ญ, ไ ด, บญได้บาปใช่ไหมครับไปถ้าทํำบาปหมดแล้วไหม ครับผมขอโอกาสกลับเรียนพระจารนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้รายการที่เราเผยแพร่อยู่ทุกช่องทางนะครับก็มีทางเฟซบุ๊กของพระจารนะครับมีผู้ชมหกร้อสิบปดท่าน youtube ของพระจารย์พระสุชาติไลฟ์หนึ่งรอยเก้าสิบเก้าท่านนะครับยูทูบด็อร v วีหกร้อสีสิบท่านนะครับคลับเฮาส์สิบสี่ท่านตอนนี้มีคนฟังธรรมอยู่ร่วมกันหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองคนนะครับก็สาธุท่านผูทุกท่านด้วยมากมากครับอาาเป็นไม่เสียเลยนึกติด็าจำยับ น่วหายเลยนิวหายเลยครับกล่าวขอบคุณอาจารย์ไม่ตาก็ะครดีใจที่คุณหมอชวนมาพูดมาคุยเพื่อจะได้ให้คนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปฟังเทศฟังธรรมที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมที่นี่ง่ส่วนวันวันวันวันทุนนี้เราจะมีการสนทนาทางสู่ไมทราบว่าทางคุณหมออาจารย์อนุญาตให้มาไลค์แชร์มาที่ที่เพจของคุณหมอหรือเปล่า อ๋อผมข อ, อคุยกับพี่บอยแล้วครับบอกว่าขอโอกาสให้ถ่ายทอดมาทางช่องผมด้วยนะครับอาจารย์ซูมตอนตีโมงครับผม2องท่เหมือนกันเมื่อคืนนี้ถ้ามีา<ร>ภาษาอังกฤษคือรางขานเลยถ้าใครอยากจะฟางภาษาอังกฤษก็ลองฟังภาษาอังกฤษกันนะก็จะได้เรียนรู้ศัพท์ธรรมะต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะบางทีเรามีชาวต่างชาติก็ถามเรื่องธรรมะเราพูดไม่ออกพรเราไม่รู้ว่าศัพท์ที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษนี้ใช้อะไร ถ้าถ้าอยากจะให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษธรรมะก็เคยมารังคาสองทุ่มสูเหมือนกันแล้วเคยมาพูดก็ภาษาไทยสองทุ่เหมือนกันอันนี้นะแต่คุณหมอมจะพิจารณานะอันนี้ออครับผมขอผมขอโอกาสพะอาจารย์เลยครับผม <laughs> <laughs> เพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นเป็นผมถือว่าช่องนี้เป็นช่องทั้งร่างกายและจิตใจครับ<ม>ก็มีธรรมะของพระอาจารย์มาเสริมนี่ทําให้ช่องนี้สมบูรณ์มากเลยครับ จะได้ดูของแปลกๆใหม่ๆจะได้เห็นชาวต่างชาติเยอะยะที่เราไม่คิดว่าเขาสนใจหี่ไม่ดีเขาสนใจมากกว่าเราชาวไทยที่ด้วยซ้ำไปครับผมโอเคนะท่านกราบขอบพระคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ขออ้อนวอนอาจารย์ด้วยครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด มาลา ก, ก่อ น, นะคุณหมอครับกลับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ<ม>นักวัสการครับมผม